สมัยหนึ่งมีพระรูปหนึ่งนะถามพระพุทธเจ้าถามไม่ยาวนะถามสั้นๆใครสวยเวทนาเวทนานี้ก็หมายถึงความรู้สึกสุขทุกข์อ่าคือใครรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์พ่าเจ้าแทนที่จะตอบตรงๆก็บอกว่า ภารูนี้เนี่ยคือพระโมริยะเนี่ยถามผิดที่ถูกเนี่ยควรจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีหรือผู้ยา น, นี้คือว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาอันนี้พระโมริยะก็ถามต่อไปว่าใครที่ทยานอยากทยานอยากที่ททนี่หมายถึงตัณหาพระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ย ถามผิดนะที่จริงควรจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยตันหาจึงมีแล้วเพิ่มอธิบายเพิ่มว่าเนี่ยมีเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเหมือนกับที่คําถามเมื่อสักครู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่ามีผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี หรือพุอยานก็นคือว่าเพราะมีผัสระนะเวทนาจึงมีและเช่นเดียวกันเพราะเวทนามีจึงมีตัณหาเกิดขึ้นนี่พระมคคิยังถามต่อไปว่าใครถือมั่นยึดมั่นก็หมายถึงว่าอุปทานนี่แหละพระเจ้าก็ตัดตอบเหมือนเดิมว่าเนี่ยถามผิดนะ ที่สุกุถามว่าอะไรเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีแล้ะพงศ์อธิบายว่าเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยนะอุปทานจึงมีหรือผู้อย่างนึกถือว่าเพราะมีอุปเพราะมีตัณหานะีจึงเกิดอุปทานน่าสนใจนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทักพระโมริยาวะเนี่ยที่ถามเนี่ยถามผิด คือแต่ถามแต่ว่าเนี่ยใครสวยอารมณ์หรือเวทนาใครทยานอยากใครถือมั่นยึดมั่นถามแบบนี้ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าถามว่าอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีหรืออะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีอะไรเป็นปัจจัยอุปท า, านจึง ม, มีมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่า ถาแบบนี้ก็ทําให้เห็นถึงสาเหตุหรือสมุดไทยก็จะเป็นสมุดไทยของเวทนาของตัณหาของอุปาทานแต่ที่จริงเนี่ยจะมาเห็นถึงสาเหตุได้เนี่ยไม่ว่าสาเหตุของเวทนาสาเหตุของตัณหาสาเหตุของอุปาทานเนี่ยจุดเริ่มต้นอยู่ตรงที่ว่าแทนที่จะถามว่าใครนะแต่ ควรถามว่าอะไรคนเราเนี่ยมักจะติดอยู่กับคำถามว่าใครนะพอเราติดอยู่กับคำถามแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ไม่สามารถจะเห็นความจริงได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนคำถามซะใหม่มาเป็นว่าอะไรเนี่ยมันจะไม่เห็นความจริง ไม่ใช่ความจริงธรรมดาแต่เป็นความจริงที่จะช่วยทำให้ออกจากทุกข์ได้อย่างเช่นถ้าถามว่าใครทุกข์เนี่ยนะมันไม่เกิดประโยชน์นะแต่พอถามหมายว่าอะไรทุกข์ตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์ลนะอย่างหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านพบคำตอบว่ามันไม่ใช่ใครที่ทุกข์นะ แต่มันเป็นรูปที่ทุกมันเป็นนามที่ทุกเนคือถ้าเรามองแต่ว่าใครใครใครเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ความจริงระดับสมมุติแต่ถ้าเราถามใหมายว่าอะไรเนี่ยก็สามารถทำให้เห็นความจริงที่ลึกขึ้นนะหรือตรงตามความเป็นจริงหรือความจริงแท้ก็ได้ ไช้เรายัางติดอยู่ว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์ฉันทุกข์หรือว่าใครทุกข์เนี่ยนะมันยิ่งแย่นะแต่พอเห็นว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยมันเป็นรูปทุกข์หรือมันเป็นน้ำที่ทุกข์เนี่ยมันช่วยปลดเปื้องความทุกข์ไปได้เยอะเลยอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างของอาจารย์กำพลก็ดีหรือว่า หลวงปู่ดูหลวงปู่บุตรดาก็ดีเนี่ยพออาจารย์กำพลเห็นเลยนะว่าไอ้ที่พิการเนี่ยมันไม่ใช่ใครพิการหรือฉันพิการแต่ว่ามันเป็นกายพิการพอเห็นเท่านี้นะโหจิตออกจากความทุกข์เลยพราะไปเผือคิดตั้งนานว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์ซึ่งมันก็เป็น มุมมองเดียวกับการที่ถามว่าใครทุกใครทุกเรื่องหลวงปู่บุ ด, ดาเนี่ยไปฉันอาหารที่มีพิษท่านก็อาเจียนแต่ท่านก็ไม่หมดสภาพเหมือนกับพระที่เหลือที่มาฉันอาหารด้วยกันที่เหลือนี่หมดสภาพไปเลยแต่หลวงปู่บุ ด, ดาท่านก็ยังคุยกับโยมได้ คุยเสร็จท่านก็พออยากจะอาเจียนแล้ก็คว้ากระโถนมาอาเจียนแล้วก็คุยกับโยมต่ อ, อโยมก็สงสัยหลวงปู่ไม่เป็นอะไรหรือหลวงปู่บอกว่ า, วาไอ้ร่างกายคนรรมก็ประกอบไปด้วยธาตุสี่พอมันเจอยาเบื่อยามอมก็ต้องมีอาการต่างๆนานาแบบนี้แหละแต่ใจไม่ได้โดนด้วยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอ เจอยาเบื่อยาเมาเนี่ยเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เกิดความสังคายนาฉันทุกข์ชันทุกข์ันจะอาเจียนอยู่แล้วที่จริงมันไม่ใช่ฉันทุกข์นะแลวมันไม่ใช่มันไม่มีใครทุกข์ด้วยมันก็เป็นเพียงแต่กายหรือรูปที่มันทุกข์นั้นถ้าคนเราเนี่ยแทนที่จะ ถามว่าใครใครใครเรามองใหม่ว่าอะไรเนี่ยแทนที่จะถามว่าใครทุกข์ก็กลับมามองว่าอะไรที่ทุกข์นะก็จะพบว่าโอ้ถ้าไม่ใช่รูปทุกข์ก็นามทุกข์นี่เช่นเดียวกันนะเวลาเดินเนี่ยแทนที่จะถามว่าใครเดินก็ถามว่าอะไรเดิน มันก็จะพบว่ามันเป็นรูปที่เดินมันเป็นกายที่เดินแต่ที่จถามว่าใครนั่งนะก็ถามว่าอะไรที่นั่งมันก็เห็นได้ไม่ยากนะว่ามันก็เป็นรูปที่นั่งหรือว่ากายที่นั่งเวลามีความโกรธแทนที่ถามว่าใครโกรธ เวลามีความโลภท่านจะถามว่าใครโลภนะก็กำลังถามว่าอะไรที่โลภอะไรที่โกรธก็จะพบว่าอ๋อมันเป็นนามที่โกรธนะมันเป็นนามที่โลภมันเป็นการมองที่ช่วยทําให้ถอนถ่ายถอนความยึดมั่นนะในตัวกูช่วยทําให้เห็นความจริงที่ ลึกไปกว่าความจริงระดับสมมุติสัจจะถ้าเรายังมองแต่ว่าใครใครใครมันก็เห็นแต่คนเห็นเราเห็นเขาพวกนี้มันก็เป็นสมมุติสัจจะนะแต่ถ้ามองว่าอะไรเนี่ยเช่นอะไรทําแทนที่มองว่าใครทำเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยเราเห็นความจริงในระดับปรมาภิสัจจะหรือความจริงแท้ได้ แล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ความจริงในระดับปรัชญาหรือเป็นแค่ความจริงที่มันมันไกลจากชีวิตจริงที่จริงถ้าเรามองเห็นว่ามันไม่ใช่ใคร ที่ทุกข์แต่มันเป็นรูปที่ทุกข์มันเป็นนามที่ทุกข์มันไม่ใช่ใครโกรธนะแต่มันเป็นนามหรือใจที่โกรธหรือมีความโกรธขึ้นที่ใจเนี่ยถึงเวลามีความปวดขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะโวยวายตีโพยตีพายเพราะเห็นว่าฉันปวดฉันปวดนะ มันก็จะเห็นว่าอมันเป็นรูปที่ปวดมันเป็นกายที่ปวดนะมันทำให้ใจเนี่ยคลายจากความทุกข์ไปได้เยอะเลยเพราะตัาบใดที่ยังเห็นว่าฉันปวดฉันปวดหรือยังมีผู้ปวดอยู่นะมันไม่ใช่แค่กายที่ปวดหรือกายที่ทุกข์นะใจก็พลอยทุกข์ไปด้วยได้เราสามารถที่จะถอนจิตออกจากความทุกข์ได้ นะถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ใครปวดมันไม่มีผู้ปวดด้วยซ้ำนะมันมีแต่กายที่ปวดอันนี้เป็นเป็นเป็นมุมมองที่สำคัญเลยนะที่ผู้เจ้าเนี่ยได้ตรัสสอนภาษาวกในหลายโอกาสอย่างเช่นเคยมีคนถามผู้เจ้าว่า ใครทำเหตุคนนั้นก็รับผลถ้านายกอทำเหตุนายก็รับผลถ้านายขอทำเหตุนายขอรับผลฟังดูก็ดูมีเหตุมีผลดีนะแต่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยมันเป็นความคิดแบบสุดตง่ง เรียกว่าเป็นวิชาทิฏฐิเลยก็ว่าได้แล so anya, ้วกุจักกัตติบายนะว่าเนี่ยถ้ามีวิชาเป็นปัจจัยสังขารย่อมมีถ้าสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีถวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีอ้านามรูปเป็นปัจจัยสลายยานะย่อมมีแล้วพระองค์ก็ตัดยาไปถึงเนี่ย ผัสสะเวทนาตันหาอุปทานพบชาติฉรามรณะทุกโทมานัตที่พะตั้เนี่ยมันไม่มีใครเลยมันมีแต่ว่าอะไรการที่พระเจ้าอธิบายทุกว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดจากอะไรเนี่ยเริ่มตั้งแต่อวิชชาสังขารวิญญาณเนี่ยอันนี้ที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นการมองแบบทางสายกลาง เป็นการมองแบบมันไม่มีใครไม่มีคนผู้กระทมไม่มีคนผู้รับผลนะมันมีแต่สภาวธรรมนะที่เป็นเหตุแล้วก็มีสภาวธรรมที่รับผลสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะ นี่สำคัญมากเลยนะถ้าเรายังมองแต่ว่าใครใครใครมันก็จะเห็นผู้ทุกข์แต่ถ้าเรามองว่าอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์และเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินวิสัยนะที่เราจะเข้าถึงหรือเข้าใจแล้วก็อย่าให้มันเป็นแค่เรื่องของความคิด มันสามารถจะเป็นประสบการณ์ที่เราจะสัมผัสได้อย่างเช่นเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยถ้าเดินอย่างมีสติเดินด้วยความสึกตัวเนี่ยมันก็จะเห็นนะ ว, ว่าไอ้ที่เดินเนี่ยมันไม่ใช่เราเดินมันไม่มีผู้เดินนะมันมีแต่รูปที่เดิน เวลายกมือสร้างจังหวะเนี่ยถ้าเราทำอย่างมีสติเนี่ยมันไม่ใช่เราที่ยกมือมันไม่มีผู้ยกมือนะมันมีแต่รูปที่ยกระหว่างที่เดินจงกรมระหว่างที่สร้างจังหวะมีความคิดเกิดขึ้นถ้ามีสติก็จะเห็นนะว่ามันไม่ใช่เราคิดนะมันแค่มีความคิดเกิดขึ้น มันไม่มีใครคิดนะมันแค่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือความคิดมันช่วยทำให้ถ่ถอนในความเป็นเราออกไปจากการกระทาไม่ว่าของรูปหรือของนามไม่ว่า ของกายหรือของใจแต่ก่อนทําอะไรก็ไปยึดไปเหมาว่าเป็นเราทําเราเดินเรานั่งเรากินนะแต่พอเจริญสติทําของ้สึกตัวเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะว่ามันไม่ใช่เราเดินเรานั่งเรากินนะมันเป็นรูปที่เดินที่รูปที่นั่งรูปที่กินเวลามีความหงุดหงิด มีความฟุ้งมีความเครียดเกิดขึ้นมันก็ไม่มีเราเครียดเราหงุดหงิดเราฟุ้งนะมันมีผู้เครียดผู้หงุดหงิดผู้ฟุ้งนัมันมีแต่ความเครียดความหงุดหงิดความฟุ้งซึ่งเกิดขึ้นในใจมันเห็นแต่อะไรนะแต่มันไม่มีใครอันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากนะมันเป็นเรื่องที่ เราสามารถจะเห็นเองได้แ้ะนี่แหละคือคุณค่าของการเห็นไม่เข้าไปเป็นเพราะถ้าเข้าไปเป็นเมื่อไหร่เนี่ยเวลามีทุกข์ก็เราเป็นผู้ทุกข์นะฉันเป็นผู้ทุกข์ แต่ถ้าเห็นนะ่มันจะเห็นแต่ความทุกข์นะไม่ว่ามันจะเป็นความปวดความเมื่อยไม่ว่ามันจะเป็นความโกรยความโศกความเศร้าหรือความเครียดและนี่มันจำเป็นนะมันเป็นประโยชน์นะสำหรับเราในการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะว่าความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เราไปซ้ําเติมเวลากายทุกข์ก็ไปเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองด้วยการสําคัญมว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์เวลาปวดเวลาเมื่อยเวลาเครียดแทนที่จะเห็นว่าเออมันเป็นความปวดความเครียดความเมื่อยที่เกิดขึ้นกับกายหรือใจก็ไปคิดว่าฉันปวดฉันเมื่อย ฉันเครียดฉันทุกข์ซึ่งมันก็เป็นการซ้ำเติมนะเพิ่มความทุกข์ให้กับใจของเราบางครั้งความเครียดความหงุดหงิดมันก็ท่ามได้ยากนะเช่นเดียวกับความปวดความเมื่อยแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าเห็นมันไม่เข้าไปเป็นมันเหลือง น, น้อยๆเนี่ยมีสติเห็นสภาวะเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในใจหรือแม้แต่เกิดขึ้นกับกายก็ตามเพราะถ้าไม่เห็นเนี่ยมันจะค่อยไปยึดนะไปยึดมันว่า ฉันเป็นนั่นเป็นนี่ยึดเอาความทุกข์เป็นของฉันอย่างที่พู้จ้องตัดนะว่าเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผูท้ทุกข์จริงแล้วมันรวมไปถึงสภาวะอื่นด้วยนะมันมีแต่ความแก่ไม่มีผู้แก่สุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งความตายเนี่ยมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตาย แต่ที่คนเราเนี่ยกลัวความตายมากเนี่ยก็เพราะมันไปนยึดว่าเนี่ยมีฉันที่จะเป็นผู้ตายซึ่งก็คือการไม่การมองแต่ว่าใครใครใครไม่ได้มองว่าอะไร ถ้าเราเริ่มนะมาฝึกการมองสภาวะที่ดำเนินไปในชีวิตประจำวันของเราว่ามันเป็นอะไรมากกว่าใครทำนะ มันก็จะช่วยทำให้ความทุกข์เบาๆไปได้อย่างคราวหนึ่งเนี่ยนะ น, นี้หลวงพ่อคำเขียนเราเคยไล่ฟังมีโยมหลวงพ่อไดไ้ไปสอบอารมณ์โยมคนหนึ่งที่มาปฏิบัติมาอยู่ได้สามสี่วันแล้วแล้วมาปฏิบัติพอเห็นหน้าหลวงพ่อโยมแล้วก็บอกหลวงพ่อทำไงดีหนูเครียดเหลือเกิน หลวงพ่ อ, เ, อเขียนท่านไม่ตอบนะแต่ว่าบอกว่าให้ถามใหม่ยังถามไม่ถูกหลวงนั้นนั่ง น, นึกสักพักก็พูดใหม่นะว่าเนี่ยรู้เห็นความเครียด ม, มันเยอะเหลือเกินหลวงพ่อบอกเออเนี่ยต้องต้องต้องมองแบบนี้แหละถึงจะเป็นนักปฏิบัติคือไม่ใช่ หนูเครียดนะแต่ว่าหนูเห็นความเครียดหนูถ้ามองว่าหนูเป็นผู้เครียดเนี่ยมันทุกข์มากเลยแต่ถ้าเห็นความเครียดเนี่ยโอ้มันไม่ทุกข์นะเพราะว่าพอเห็นความเครียดแล้วเนี่ยก็หมายความว่าความเครียดเนี่ยมันมาทําะายจิตใจไม่ได้มันเกิดระยะห่างระหว่างความเครียดกับใจดังนั้นถ้าเกิดว่าเรานะ รูจับใช้สติในการสังเกตอาการของกายและใจอยู่เสมอๆเอจเริญสติอยู่เป็นประจำความรู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยกับกายกับใจเนี่ยมันก็เป็นศักแต่ว่าสภาวะที่เกิดขึ้น ไม่มีผู้เครียดไม่มีผู้โกรธไม่มีผู้เกลียดไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีผู้ปวดไม่มีผู้เมื่อยคือไม่มีใครมันมีแต่อะไรนั่นคือความเครียดความโกรธความหงุดหงิดหรือว่าความปวดเท่านั้นเองแล้วถ้าเราเห็นดาวน์เป็นแค่สภาวะนะแต่ไม่ไม่มีใคร เป็นเจ้าของสภาวะนั้นเนี่ยถึงเวลาเจอความทุกข์มันก็มีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ถึงเวลาป่วยมันก็มีแต่ความป่วยไม่มีผู้ป่วยจนกระทั่งถึงเวลาตายมันก็มันไม่มีมันก็มีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายถ้าพยายามมองนะให้เห็นความจริงแท้ ที่มันหลุดจากความสำคัญบรนหมายในตัวตนสตินี่มันช่วยได้นะสติมันช่วยได้ที่ทำให้เราเห็นทะลุภาพตัวตนไปจนเห็นความจริงแท้ว่ามันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจ แต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็ความหลงก็จะสร้างตัวตนขึ้นมาเกิดความสำคัญมั่นหมายในตัวตนขึ้นมามีตัวฉันนะมองอะไรก็เห็นแต่ใครเห็นแต่ใครนะแต่มองไม่เห็นอะไรบางทีถ้าว่าเรามั่นถามสักหน่อยนะว่า แทนที่ถามว่าใครถามว่าอะไรเนี่ยนะบางทีเราก็จะเห็นความจริงได้ความจริงความจริงที่จริงแท้ได้มากขึ้นแทนที่จะถามว่าใครเห็นต้องถามว่าอะไรเห็นนะแทนที่จะถามว่าใครเดินก็อะไรเดินนะแทนที่จะถามว่าใครได้ยินก็ถามว่าอะไรได้ยินก็อาจะพบว่ามันเป็นรูปที่เดิน มาเป็นจะิตที่เห็นมันเป็นจิต ท, ที่ได้ยินจึงมีคำว่าจักขูวิญญาณโสตวิญญาณวิญญาณนี่คือการรับรู้ของจิตนั่นเองนี่คนเราเนี่ยไปติดที่คำว่าใครใค ร, ใครเนี่ยมันก็เลยเห็นแต่ความจริงในระดับสมมติสัจจะ พอมองว่าใครมันก็มีแต่เรากับเขาแต่ถ้ามองว่าอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นรูปเห็นนามแล้วก็ต่อไปก็จะเห็นเป็นขันธ์ห้าถ้าเรามองอะไรนะการที่มองว่าใครเนี่ยมันก็จะเห็นขันธ์ห้าหรือรูปนามกายใจซึ่งเป็นความจริงแท้ แต่ถ้าเราเอาแต่ถามว่าใครใครใครนะมันก็จะเห็นแต่ความจริงระดับสมมติสัจจะซึ่งมันก็พาเราไปสู่ความหลงได้ง่ายแต่ในชีวิต จ, จริงเราก็คงดีไม่พ้นนะที่ต้องถามว่าใครใครใครแต่ถ้าถามว่าอะไรบ้างก็ดีโดยเพราะถาม ในลักษณะที่ทำให้สาวไปถึงเหตุสาไปถึงปัจจัยอย่างเช่นเวลาเราเห็นอุบัติเหตุเนี่ยหรือว่าอาชญา ก, กรรมเนี่ยแทนที่เราจะถามว่าใครทำเราถามว่าอะไรเป็นเหตุให้อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเหตุเ ห, เหล่านั้นใครฆ่า หรือว่าใครทำแท้งมา จ, จะไม่ตอบมอา จ, จะมีประโยชนเท่ากับว่าอะไรที่ทำให้เกิดเหตุเหล่หานั้นขึ้นแต่เพราะว่าเป็นเพราะยาบ้าเป็นเพราะว่าการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเพราะสังคมทำให้คนหลงผิดเกิดความโลภเกิดความหลงอันนี้ก็ทำให้ สาวไปสู่การแก้ปัญหาแล้เนี่ยเนี่ยก็เป็นเหตุผลอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่พูดเจ้านะทักพระโมริยาวเนี่ยที่ถามว่าใครสวยเวทนาเนี่ยยังถามไม่ถูกต้องถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานและสุดท้ายก็จะพบสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมา ใครทุกเนี่ยมันไม่สําคัญเท่ากับว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดทุกและที่ระเจ้าเนี่ยแลสุดท้ายก็จะพบว่าเนี่ยกระบวนการก่อทุกเนี่คือปฏิจจสมุปบาทให้สังเกตนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไม่มีคําว่าใครเลยไม่มีใครเป็นผู้ก่อเหตุไม่มีใครเป็นผู้รับผลมันมีแต่อะไรและเนี่ยเป็นการมองที่ทําให้เห็นความจริงนะที่ช่วย พาออกจากทุกได้